มือหมายความนึกถตนว่เป็นทุกเพราะฉะนั้นรีบผลทายผลทุกข์อย่างนี้ช้าได้ไม่ใช่เห็นเจ ต, ตัวที่นีโลกาธิ่กตายนั้นนึกขึ้นว่าท่านผู้รู้ที่อาจามความคิดหิือฟังเสียงเรารู้ว่าเราคิดเลวรือคิดชัว่วหโกกได้นี้มีอยู่ว่าเป็นฉะนั้นก็ระอาหักแฉมความคิดที่หล้วแน่แน่โลกาธิ่กระยคือเอาอำนาจกระตุ้นเล่าให้ตัวเองละทิเลส กลัวว่าท่า น, น้จะเห็นเข้าจะรู้เข้าเกิดความอายต่อบาปขึ้นมาฤท <c oughs> กิชนที่สามเนี่ยกันกษาเป็มีปาฏิหาร <c oughs> สอนได้าอย่างอัศจรรย์ฤกั น, นลกหลังหทปาฏิหาร น, นหลังนี่แหละพุธองค์ท่านสนับนุนที่สุดและพระองค์จะทำบอยที่สุด <c oughs> และสนับสนุนกันุษาว่าของท่านท ก็คือการพยายามอย่างสุดฝีไม้ลายมือสุดฝีปากสุดความคิดสุดความปรานีของความคิีในการที่เจาะแทงสมมติของผู้ฟังให้ตื่นขึ้นเพื่อประพฤกิทำเพราว่าท่านผู้พูดนั้นเป็นปราหานผีนาศด้วยแล้วการทำเช่นนั้นแหละจะเกิดการกระรุ้เฉพาะประพักขึ้นมา <c oughs> หรือกระตุ้เฉพาะหน้าของประธาน ห, หรือผู้ที่ช่วยเหลืออยู่นั้น เมื่อเป็นทงันบอยและสนับสนุการเรียนรู้าวนาเ ม, มืปัญญานัน้นมันเกิดเรื่องราวชิว่าพิเศษจุดเป็นคินสมบัติพิเศษแต่ว่าท่านเหล่านั้นถ้าเกิดในสังคมยุบยมเครื่องเหผลปรัญาแล้วนักปรามันาชนินั้นจะถูกยุบถูกเปลียนไว้เหผล เพราะท่านอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ยังดีที่สุดท่านอธิบายด้วยอุปมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่คใครจะรู้ปัญญาของท่านทิ่ผานด้วยการยินนั้นถึงเข้าไปหาท่านจะดุกไปจะดุดเหมือนกระพูอวัวที่จะไปกินมนมาก่คือต้องกัะแทกเจ้า น, นมให้ถูกจุดแล้วน้านมมันจะหลังออกมาให้กินได้ส่วนการที่ป้อนคําถามแบบป ร, รัชญาเหตุผลท่านตอบไม่ได้ พระท่านไม่ไเรียนมวยวันไมวมีิีนั้นแต่ยามทักษะของท่านเกิดด้วยละคับสุนัยคือมันรู้เองกระทบเข้าไปเองเมื่อโน้อมจิตชนินั้นเข้าไปในปัญหาแม่ปัญหาที่ไม่เคยเรียนรู้แต่ว่าท่านไม่อาจรู้รายละเอียดเหมือนนักวิชาการแต่ท่านอาจรู้ประเด็นว่าแสง x หรือ x l ที่เราไปฉายมันเห็นแต่โครงร่างแต่โครงร่างนั่นแหละสําคัญที่สุดเพราะมนุษย์เรานั้น ในช่วงชีวิตของมนุษย์จำดงตั้งแต่เกิดจนสั้นสายนั้นเราไม่ค่อยเห็นโครงร่างของมันเราไปเห็นรายละเอียดผีย่อยเช่นเรื่องเงินเรื่องกามเรื่องเอทเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องที่ดินซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนโครงสร้างของชีวิตเรามองไม่ออกว่าอะไรเป็จุดต้นต้นอะไรเเครื่องมืออะไรเป้าหมายอะไรเที่สุด โครงร่างของชีวิตนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องมองหออกาละเอียดบกต้องบ้าชมันเหมือนเราสร้างบ้านหรืออาคารเนื้อจะแตกตกแต่งแต่ว่าอึดขมวนน้ำหนักของตมหรือสาให้หินก็พังคลลงมาเองหรือป็ดที่หิงสาวแต่ตัวจนกะทั่งไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นรูปกตาหรือตัวตลกก็ไปดมีรายละเอียดียงบัง ไม่ได้คำนึงถงโครงร่างหรื อ, อโครงสร้างอันใหญ่หญของมันในเหตุนี้บัณฑิตสมัยก่อนบัณฑิตทางโลกยินยอมรับบัณฑิตทางธรรมเราะท่านลามัเห็นโครงสร้างงมันกระดุกสายเอที่ฉายขึ้รในร่างกายทุกคนจินดูท่านอา จ, จะให้รายเอีอะไรไม่ได้แต่ทนเป็นขี้ขึ้นได้นี่ยกที่ขี้ขึ้นของคงคนไทยในดีจามลกตราที่ไม่ได้เรียนทางโลก ปัจจุบันนี้เรามีนักปราชญาทันโลกทังโลกมากเมื่อโครงสร้างหรือโครงแกนใ ห, ใหญ่ของสังคมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะความรู้รายละเอียดที่เกิดจากสิกขาหรือจินตามยปัญญาชนิดหยาบหยาบเทนั้นและเป็นแอนตกลงกันไม่ได้และประเทศที่เกิดและสัมสายขึ้นในสังคมช น, นในในชนิดก็ชนนั้น <c oughs> แค่นีเราทราบเรืร่องมาถึงถึงที่ว่าคุณสมบัติอันวิเศษอันหนึ่งของผู้เรียนโดยภาวนาเมยปัญญานะั <c oughs> ้นก็คือมีปฏิฐานอยู่กับตัวตลอดกาลประเทศแต่ผู้ชนะหรือพระหัุนที่มันว่ามีเป็นปฏิฐานนะว่าทีกเตรียมโด้วยื่ปฏิฐานไม่ถูกถามปัญหาท่านจะไม่จนเหตุขาดคือจะอธิบายทันทีแต่ภาษาของท่ทานอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง เท่านั้นเองส่วนการอธิบายชนิดที่เรียกว่าใช่เหตุผลนั้นบางทีผู้นั้นยังไม่รู้สิ่งที่ตัวเองเอพูดถึงก็เป็นได้อย่างนั้นไม่เรียกว่าปฏิภานปฏิภาณ น, นี้แท้จริงนั้นถึงหมายว่ามีการตอบกลับอย่างฉัดเจนไม่ลังเลประดุจคนที่มือล้วงอยู่ในกระเป๋าของตัวแล้วรูอตัวเองมีเหรียญกี่เหรียญจนแม่ตัวรบการของเขาเข้าใจไม่ได้ในวันนี้หรือในคราวนี้ แต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่อมีสติสมปชัญญะหรือค่อนข้างเป็ น, นมันหนึบในที่สุดจะค่อยๆสิ้นทราบถึงภาษาที่ไม่เป็นปภาษานั้นนันเองอย่างนี้เียว่าการถ่ายทอดจิตถึงจิตเหมือนคำ ว, ว่าภาษานั้นรับใช้เราไม่ได้แต่เมื่อพูดคำนู้เรื่องแล้วก็โยนภาษาที่า็มันเป็นเงี้ยจุ๋มๆถึงจะใสดักปราไม่ได้ปลาใส่ใสอันนั้นก็สําเจ็จ ไม่มีประโยชน์อะไรอีกคุณสมบัติอปนวิเศษจุดของการมรียนรู้พลังนวัตปัญญายิงนี้ถูกละเลยอย่างน่าใจเหนือยขึ้นหลักสูตรการเรียนของโลกหรือของประเทศอของชาติที่ไหนๆไม่มํานึงเรื่องนี้ถ้าว่าผู้วางนโยบายการศึกษาได้ํานึงถึงเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดหลักสูตรการศึกษาของรู่นหนุ่มของเราหรือแม้แต่ของเราเองในการเรียนชีวิตอย่างน้อยที่สุด ต้ครื่นต่อคลื่นคือภาพหนึ่งมุ่งเขสู่มองดั้งนไ่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาเข้าไปให้คิดเข้าไปด้วยการละนิวรณ์ห้าอีกทีหนี้ก็เรียนด้วยเหตุผลหรือด้วยความจําหรือด้วยความคิดที่เขาสอนมันอยู่อย่างเโอรหรือลน้นพลไปแล้วซึ่งเราพบควจริงว่าสุจริตเมื่อบัญญาหรือการเรียนด้วยเหตุผลหรือความจามากๆขึ้นเท่าใดนั้นเป็นอันตรายเท่านั้น เกิดความขัดแย้งมากขึ้นและบันดิตท่แท้จริงผู้รู้เรื่องราวของชีวิตจะถูกกรบหรือเพราะเราภาพใช้คำหยาบว่าถูกเกียดจมดินไปเลยคือเงยหัวไม่ขึ้นพูดกระจายไม่ออกเพราะไม่มีเหตุผลมาสู้กับเขาได้แ อ, อ่ในที่สุดนี้วาภาพก็มาถึง เ, ร, เรื่องราวที่จะเป็นบทสรุปว่าการเรียน พาวนาำ ม, นะมยายะปัญญานี้มันจะนำผลอันสูงสุดไปสู่ความดับทุกข์ต้นแบบต้นมือก็คือว่ามันละสังการมันบังการ <N ope> นับตั้งแต่ท่านเริ่มมองด้านไหนเป็นเขามองด้านไหนเป็นนี้ <c ười> ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มมองด้านไหน ล, ล้วเรียกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างไม่เป็นก <c ười> ้อนที่นี้ใจความสําคัญมากเหมือนที่คราวหนึ่งการดำเนินคำถามท่านพุทธองค์ว่า ถ้าแต่รงวม่เจรเมื่อพระพุทธองค์ก็ยอยู่พระธรรมก็ยงอยู่สรวขององทุกองนั้นตรัสรู้ถึงที่สุดซึ่งอาสวะทันในชีวิตนี้หรือเมื่อเล่าพระพุทธองค์ก็นรักว่าไม่เป็นจํานนั้นนะเมื่อเขาถามาาาว่าเพราะเหตุไรพ็ใช่แก็ตรัสว่าทั้งหมนนี้ขึ้นอยน่ินโสมนัสกิการและอระยินโสมนัสกิการนี่เป็นจัภาษ า, าวัน แต่ถ้าฟังง่ายๆก็คือว่าบุคคลนั้นมองด้านในเป็นหรือมองไม่เป็น <c oughs> การมองด้านในนั้นจะเห็นเรื่องราวแต่ว่าถ้ามองไม่เป็นจะติดกับของเรื่องราวนั้นอีกทีนึง่งถ้ามองเป็นมันเริ่มทำลายสถานการณ์ร ก, ก็นี่เรานอกจากจะชี้ชัดเจนลงไปอีกว่า <c oughs> การมองด้านในเป็นหมายความว่ามันดีตัวออกมา จากพฤติของนามรูปที่เกิดดับไม่หลงถ้าไปยึดถือนามอั น, น, อนหนึ่งอันใดอย่างนี้ก็เกิดสอนนะว่านิพานนั้นเป็นนามนีนม่น เ, ปนนนนนเป็นการข้ามจตีถ้าเป็นนามหมายความไม่ต้องเกิดดับถ้าเกิดดับไม่ใช่พระนิพานมันอยู่ในกายของวัตตะสงสารเพราะฉะนั้นการมองด้านไหนเป็นหนีโยนิโสมนัสิการนั้นเฝ้าดูให้ดีและพยายามที่ปีให้พ้นจากมันเมื่ออารมณ์อะไรเข้ามาแล้ว ปรุ ป, ปันยังไงนี่หมายความว่าท่านผู้ทำเช่นนั้นได้ต้องักเรื่องราภายนอกไม่โยไปต่อรอ้อนต่อถิ่นแด่เรื่องข้างนอกกินอยู่มันเกิด อ, อารมณ์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกเป็นปัจจัยเมื่อสิ่งภายนอกเป็นปัจจัยแล้ว <c oughs> อย่าไปสนใจสิ่งนั้นไปสนใจปัจจัยภายในที่มันกระตุ้นขึ้นข้อนี้ก็ต้องเรี้ยงไปถึงสิ่งที่เรียกว่อศอก ที่งำให้เกิดเมตนาะให้เกิดตัณหาให้อปาทานและพบชาติและทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นข้างไหนมีปัจจัยภายนอกด้วยเหตุที่เองผู้มองด้านในไม่เป็นผู้ที่กำลัโกรธโกรธขึ้นแล้วมันจะไปย้ำว่าเรากำลังโกรธเรากำลังโกรธเรากำังโกรธขึ้นทุกทีทุกทีแม้ว่าจะพิจารณาว่าความโกรธไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราแต่มันไปย้ำคำว่าเราเราไดทุกที ส่วนผู้พิจารณาเป็นนั้นความมุ่งยิ่งเกิดขึ้นเท่าใดตัวผู้รู้จะน้อยลงเท่านั้นเท่านั้นก็คือว่ามันยิ่งนอ้อมน้อมลงยิ่งยอมยิ่งความต้องการที่เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้อะไรขึ้นมาจะน้อยลงน้อยลงหดลงหดลงจึงเรียกการปฏิบัติเช่นนี้ว่าปฏีโ น, โนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหดกลับ เพราะนั้นมันจะมีลักษณะเช่นนั้นพระเจ้มาลันคนามาเาคนหนึ่งคขาขนไก่แหญ่เข้าไปในไฟแล้วมันง่วนตัวกลับลักษณะเช่นนี้เรียกเป็นผู้ประพฤติเพื่อปฏิยีโนกดกลับปฏิยีโนัดหดกลับและในตัวจะมาจะตั้ตัวผู้สอนมานมีสักสองสามคำแต่มีประโยชน์มากปัญญชาโชเป็นผู้ลดทงลงแล้วการกุฏิชนทั้งหลายเป็นผู้ชักทงร่า มายความว่ายอมใจไม่ลงชักธงของทหงรการขึ้นเส า, สาขึ้นยอดเสาไม่ยอมใจเด็ดขาดคาว่าไม่ยอมมีความหมายพิเศษต่อจนนั้นร้องไห้โหอยู่มันความรู้สึกก็ยังไม่ยอมฉันเรียกว่าโธมมันนั้นโธ่ ม, มันนัดนี่ไม่ได้แปลว่าเสียใจอย่างเดียวมันแปลว่าขับใจด้วยมันเก็บกดไว้แล้วมันยกธงหรือเตรียมพร้อมเป็นลูกคือขึ้นเป็นรู่แพรขยายอำนาจเพื่อจะเห็นค่าหรือครอบําใคร ไ, ได้ อย่างนี้เมียกว่าเป็นผู้ปัญญตโชกเพขอไปเป็นผู้ไม่มีปัรญตโชกคือเป็นผู้ยกธงร่าขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้มองด้านไหนเป็นจะเลื่อนเละธงลงการยอมไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้การยอมที่นี่นเกิดจากปัญญารู้เห็นว่าเสียเวลากราเราเสียเวลากระลึกลาเ็กน้อยจนกระทั่งเราได้สูญเสียชีวิตทั้งชีวิตให้แก่เรื่องเล็กน้อย นนเองเป็นเหตุให้ พ, พระเจ้าตรัสว่าบุคคลเป็นบัณฑิตละสุขเล็กน้อยก็เห็นกับสุขตั้งใหญ่หลวงคือความดับสนิทลงแ่นความทุกข์หรือความสุขกระตุ่นระวนกระวายท่านเองท่านพู้เป็นพายุมีพระคุณต่อบรรพชิตทั้งหลายด้วยโปรดสมมุติเรื่องนี้ให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วการที่ท่านทำประโยชน์ให้แก่ระาศาสนาก็<แ>าไม่เกิดประโยชน์อันใดซ้ำจะยังเป็นโสดสมัยถึงเกิดเป็นโสดเพราะว่า มันจะเกิดการกระทําที่ไร้ความหมายพอนราภาพเองนั้น เ, เคยเข้าใจว่าการที่พระภิกษุสงฆ์เคร่งครัดมากมายและแยกตัวจากบัญญัติชิดแล้วแยกตัวจากคราวาดให้ต่างเหมือนฟ้ากับดินนั้นเป็นของถูกต้องสมัยหนึ่งเคยเข้าใจเช่นนั้นก็คือว่าให้คราวาเพื่อทูลพระสงฆ์ไว้เหนือศีล น, นั้นเป็นความถูกต้องเป็นหลักใจ แต่เดี๋ยวนี้เปลียนความรู้สึกนั้นหมดแล้ว <c oughs> ก็คือว่าก็าขืน ท, ทําเช่นนั้นพระสงค์จะล้มีินาลงอย่างรวดเร็วในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแท้ที่จริงนั้นพระธรรมเทานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระสงฆ์และฆราว่าไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวจะต่างกันบ้างก็นไม่ฝ่ายหนึ่งทําหน้าที่เป็นครูที่พยายามยีละสงการ ฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังมือสิทธิ์ที่พยายามที่จะละผังการกันเพราะฉะนั้นคราวาสกับพระไม่ต่างกันเลยโดยสภาพของการปฏิบัติธรรมเพื่อกับทุกข์ที่อยู่ผู้นคนที่สุดมันเกิดขึ้นแล้วบาญญัติที่บรรลุ ถ, ถึงบรมธรรมหรือขึ้นกิเลสก็ <c oughs> ย่อมแตกต่างจากคราวาสที่ขึ้นกิเลส ไม่มากก็น้อยตรงที่ว่าบรรพชิตนั้นจะได้รับบรรพจารุกคือไม่ต้องรับผิดชอบกับใครเป็นพิเศนอกจากการเลื่อนเลื่อตามกําลังแห่งความเมตตากรุณาที่ประจำกมลสันดานของท่านส่วนครว่าที่ตรัสรู้หรือบรรลุถึงวิลมธรรมนั้นแล้วจําต้องรับผิดชอบเรื่องผีหรือธรรมไม่อาจเกิดบรรพจารุกแต่โดยสาระแล้วบรรพชิตกับคระว่าไม่ต่างกัน กระพุตโตองเองท่านจัดไว้ในฐานะเป็นเพียงกัละยาณมิตรขึ้นกันเลยกันถ้าเดีนี้เราเกิดกะทําให้บรรพชิตเป็นเทวดาขึ้นหรือเพื่อเป็นเหวี่เตียนบนรรพชิตจะถูกโค่นลงทันทีด้วยสังคมที่กำลังเพ่งเร็งหรือตั้งมหาเราจําเป็นต้องหยิบพระธรรมมัแหลกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติจนได้ผลกันทุกทวนหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้น ชื่อว่าทําให้บันจิตอยู่รอดด้วยชื่อว่าให้พระธรรมกระจายเข้าไปในสังคมก็ทํานั้นท่านมีไปเพียงใบลานแล้วก็คงไม่เรื่อนขกขนันเหมือนที่ผู้ยอดเพื่อของเราได้ล้อเรียนว่าไหวพระพุทธไปะสะดุดพระทรองธรรมไหวพระธรรมเป็นขยำมวิลานไหวพระสงฆ์ไปถูกกระรูดชาวบ้านพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั้นเป็นเพียงภาพหรือการแบ่งหยาบหยาบเท่านั้นแต่ตัวพระธรรมนั่นแหละ เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแนมะ้พระพุทธองค์เองท่านก็คาระวะธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทัางหลายประพฤติ ท, ทำเข้าไปจนเกิดผลขึ้นด้ภาวนามตตปัญญาแล้วอย่างนั้นชื่อว่าช่วยทํารงช่วยปกป้องพระสงฆ์พระธรรมและพระพุทธว้ในสังคมซึ่งจะเป็นหลักใจอ่ำงวยความสุขสวัสดีชั่วกาลนานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า เราเป็นทายกทำบุญนมทานไปก่อนให้พระที่เคร่งครับ เ, เคร่งที่สุดที่ท่านมีบารมีสูงปฏิบัติเถอเราสนับสนุนอย่างนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธองค์เองท่านไม่ได้จัดเช่นนี้พระพุทธองค์เองมันเหน่งท่านจัดกับพระภิกษุว่าทุกท่านภิกษุทั้งหลายทายกทยกาขราบณีเหล่านั้นมีคุณกับเธอมากเพราะทพืท่อบุญอามิตรสถานคือให้อาหารหล่อเรียยงอัตภาพไว้ เพราะฉะนั้แม้เธอเองก็จงเกื้อกูลกรุณาแก่ทายกและข้าราชบดีเหล่านั้นด้วยธรรมาทานเถิดเมื่อทั้งคู่เกือ้อกูลด้วยอามิจจทจานและธรรมาทานเช่นนี้แล้วทั้งคู่หมายความว่าทั้งทายกและบรรพชิต จ, จะพากันกระทำดี่สุดแห่งทุกได้ในอัตภาพนี้ท่านยอมไว้ในวัน <c oughs> ที่ะเสด็จจับขันว่าทุกรถิษฐ์ทั้งหลายทำไม่ไนี้เป็นธรรมแท้ ผู้ใดไม่ประมาทผู้นั้นพึงทําที่สุดทุกได้ทันในชีวิตนี้เองในที่สุดนี้ท่านพ่อก็มาถึงที่สุดแห่งการบรรยายตามเงื่อนไรของเวลาที่กําหนดไว้ขออํานวยพรให้ขายกไถ่กันหลายจงประสบแต่สัรรพสุขทุกที่ภาราตรีมาตั้งแต่บัดนี้จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันกา้คือทันทุกีในชีวิตนี้เถิ ขอให้สวัสดีต่อไปนี้ก็ทำสมาธิตามระเบียบหรือทำเนียมที่วางไว้5้านานนนทีวงคภาพจะเป็นผู้บอกเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว <c oughs> กำหนดลงหายใจเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งหรือผู้ที่จำเนงขั้นั้นใดกั้นหนึ่งอยู่ตามที่สัมผัดแล้วก็ทำตามขั้นนั้นอีกหรือไม่ก็รุ้มือตั้งแต่ขั้นต้นที่ดูลง ส่งความคิดไปที่อื่นอให้ค่อานไปยุดให้ความรู้สึกเฉพาะอยู่ที่จุดนึงจุดใดที่รู้สึกได้ดุงไรงสุดเป็นเวลาห้านาที